ของมุสลิมเนี่ยจงอยู่อย่างนี้แหละเราต้องโยมกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาครับจะออกจากบ้านอ่านด้วยว่าไงบิสมิัลลอฮ์ใช่ไหมบิสมิขบิสมิลลาฮิราะห์วะลาอัลลอฮิวลาฮาวะลวะลาควูบัอิลลาบิลลาฮีถ้าเราไม่ออกจากบ้านโดยไม่อ่านอะไรเลยเราไม่ต่างอะไรกับแมวนะ อันนี้พูดแรงๆนิดนึงนั่งรถมาก็ต้องอ่านดุอาอีกใช่ไหมขึ้นรถอ่านดุอาอ่านบิสมิลลาห์ก่อนและฮะมดุลลาห์ก่อนสุบฮานัลละดีสักครอลลนาฮาเาว่ามาคุณนาละหูมุกรินินวะอินนัิละราลบดีนาละมุงกับเรชีวิตมุสลิมต้องโยงกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาขอบคุณอัลลอฮ์ที่น้องเรามาทบทวนกุรอานเนี่ยปีนี้ปีที่สาแล้วนะ พยิชฉันเหลือบมุโทมาว่าสาิบปีแล้วนะ <c oughs> ก็สาสิปียังทํา ง, งานกของลอร์น่ะพี่น้องสัญญากับอลอว่าเราจะทํางานศาสนานของอลอจนกว่าจะอะไรต้องกาจะตายหยุดไม่ได้นะครับพี่น้องวันนี้เรามาถึงอ่านมาถึงทบทวนมาถึงสุราอารูมอารูมเนี่ยแปลว่าอณาจาักรโรมันนับถือศาสนาคริสต์พี่น้องในสมัยนู้นเนี่ย และพวกอาดับด้่ก็สนับสนุนกลุ่มพวกโรมันแล้วก็ติดตังกันข้ามก็คือพวกอาณาจักรเปอร์เซียสองรัฐเนี่ยก็ทะเลาะกันบ่อยๆแบบอเมริกากับเนี่ยละรัสเซียทีจีนเนี่ยคล้ายๆกันพี่น้องแล้วก็นบีเนี่ยกุ้อ่านได้ประทานลงมาบอกว่าเดี๋ยวไม่ชาจะกรุงโรมจะแพ้แล้วก็พวกเปอร์เซียจะชนะและจริงด้วย คนรับอิสลามอะเต็มเลยอ่านในที่อารยมวล่าพามรับมาบอิสลามเป็นรำลสองเดือนนี่หละมาจากจังหวัดตากอะอัลฮัมดุลิลละอิสลามเนี่ยศาสนาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของนะครับเปน้องเอาละไม่พูดเดยอะมาพูดคุณอานดีกว่านะวันนี้มาถึงอายาที่เท่าไหร่สิบหกซูรอัรูมนะครับ อาอุบิลล ن ا ิมันละ ا ัยตาน ي ร م จีนว่ามนุษย و ที่คัฟรูและคดบุบอ้ายตินาวอลิควาอิลอาครอฟาุลัยค์กอนพีก็ต้องต้องตินด้วยนะ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ف و آ, أ و ل ٰ ئ ك في العذاب محضرون الحمد لله ข้อที่นี้เราไปพูดเรื่องอะไรอ่ะพูดเรื่องคนที่ปฏิเสธไม่รู้จักอัลลอฮ ปฏเิเสธอิสลามปฏเิเสธมุฮัมมัดซึ่งเป็นราซูลคนสุดท้ายเนี่ยปฏเิเสธแล้วก็ไม่เชื่อว่าวันอาคิรอมีจริงคือปฏิเสธเรื่องที่จะต้องถูกถามหลังหลังฝังอะ่ะเขาปฏเิเสธเพราะอิสลามสอนอย่างนี้พอตายไปแล้วทุกคนเนี่ยตอนนอนอยู่ในกูบูเนี่ยนะพอฝังเสร็จ ญาติพี่น้องเดินกลับเนี่ยคนตายที่อยู่ในกุโบเนี่ยได้ยินเสียงรองเท้าเนี่ยคนเดินกลับไปแล้วนแะและ้วมาลลยก้ามามาสอบแล้วก็สอบสามเรื่องใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่านใครเป็นอัลลอฮ์นะบ ง, ง่างงแล้วก็คุรานคืออะไรอิหม่านของคุณคือใครรู้จักนบีมุฮัมมัดไหม <c oughs> สามรายการที่จะต้องถูกสอบหลังจากฝังกูโบไปแล้วใครมาสอบอัลลอฮ์ส่งมาลาอิก้ามาครับทีนี้ก่อนตายเนี่ยปฏิเสธอัลลอ์ปฏิเสธมลาปฏิเสธอักุรอานปฏิเสธน้าดีมูฮัมหมัดแล้วจะไปตอบได้ยังไงตอนตายอันไม่เชื่อลองตายดูอย่าไปลองเลยนะเอาจริงๆดีกว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาจริงๆไม่ใช่เกิดมาเพื่อมาลองของใครไม่ใช่ นั้นมาดูกุณอานอะไรนี่ว่อัลลอฮฺได้นักฟารูห์ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธกาฟารูห์แบบปฏิเสธก็ปปฏิเสธอะไรรู้ไหมปฏิเสธอัลลอฮฺว่าไม่มีปฏิเสธนบีมุฮัมมัดนบีกุโกฮฺปฏิเสธกุรานะใครซะะ มีคำภีร์อยู่เล่มเดียวในโลกวันนี้นะคือคัมภีร์กุรานนี่แหละที่ถูกรักษาเอาไว้นะคัำพีที่มาจากอัลลอฮ์นะกี่เรื่องกี่เล่มก็ตามถูกเปลี่ยนแปลงสังขยาณาหมดเ <c oughs> หลืออยู่เล่มเดียวคือคำภี์กุรานเท่านั้นแหละและคัมภีคุรานนี่นะอัลลอฮ์บอกในะคัมภีร์แล้วว่าฉันรักษาเองมาก่อนหน้านี้นะมอบให้ ให้อุลามายาฮูดีอุลมามานัสโรนีให้ดูแลคำภีนี่ตั้งแต่รอดสรงมาเนี่ยพวกนี้ดูแลไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงทัหมดเลยเอลัลเลาะวะพอพลแล้วัทศหลายฉบับที่ผ่านมาเนี่ยไว้ใจไม่ได้จันั้นกุรอานเล่มสุดท้ายฉันขอดูแลเองแล้วรอดูแลจริงๆท่านพี่น้องดูสักคนท่องลูกลูกหลายที่ชอบจ้างกุรอานมีเท่าไหร่อย่างน้อย ก, ก็ น, นั่งอยู่คนเนี่ยอาจารย์อิมรนัน ทำเท่าใจกูอ่นทั้งเล่มอะเรอ่านเสียงเพราะด้วยทำนี่เลยนะออกมาดูว่าอามละรีนะครับว่าผู้ใดที่หรือว่าส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธปฏิเสธอัลลอฮฺลลปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ไม่ฟื้นปฏิเสธว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาจะต้องถูกรายหน้าตอบแทนรางวัลฉันไม่เชื่ออัลลอฮฺไม่มีถามว่าใครสร้างโลกใบนี้เกิดขึ้นมาเองใช่หรือไม่ใช่ อัลลอฮฺว่ากัคนอาหรับมุชลิกในนครมากก น, นะมุสมัย 1,400 ัปีนะคุอรอ่านอธิบายเลยใช่ไหมว่ามุฮัมมัดท่านาบีมุัมัดไปถามคนอาหรับมุชลิกว่าใครสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินใครให้ฝนตกลงมาจากฟ้าฟ้าคนอาหรับมุชลิกจะตอบว่าอัลลอฮเป็นมุสลิมยังยังยังขาดอี่สองข้ออีกอะอะไร อย่าไปก้มลงกราบอย่าไปขอสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์กยังไม่พอออกต้องรู้จักสิฟัตอัลลอฮ์อีกเท่าไรอีกเก้าสบพระนามอีกอ่ะอันนบี ก, ก็สอนต่อไปอีกใครที่ท่องจำสิฟัตอัลลอเาบ9พระนามดาคอลัลจันนะเขาได้ไปสวรรค์เห็นอย่างการพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นมารู้จักอัลลอ์ก่อนถ้ารู้จักอัลลอ์แล้วมาเชื่อ อะไรนะนบีมุฮัมมัดหมายถึงสุนน่านาบีทั้งหมดนำมาใาชา้ในชีวิตประจำวันถึงจะปลอดภยัยถ้าอย่างนั้นไม่ปลอดภัยสักคนหนึ่งครับพี่นอ้องวะ ม, มัลลาดีนกะฟาูและส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธนะครต่อมาอีกปฏิเสธแล้วในเรื่องนึงนะต่อมาวกัสซาบูบิอายาตินากัซาบแปลว่าไม่เชื่อ พูดแบบโกหกอ่ะสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะแต่เขาไม่เชื่อไงหนักนะพี่น้องข้อที่หนึ่งปฏิเสธก่อนหนักอยู่แล้วข้อที่สองอัลลอฮ์ส่งสัญญาณมาเนี่ย อ, อย่างเนี้ยสึนามิมาแต่ละครั้งมาจากไหนอ่ะมาจากอัลลอฮ์นี่ลมพายุที่ขึ้นที่อะไรนะ ที่นครที่จังหวัด ต, ต่างๆเนี่ยนี่อลัลลอนะ์แค่เซิฟเนะแล้วก็ล่องหายหายไปอลัลลอ์หัวอักบัดไทมาพี่น้องเห็นยังครับถาม ว, ามวมาามาา่าทั้งหมดเลาวนี่มาจากเกิดขึ้นเองใครบอกมัทักอัลลอ์ทั้งหมดอัลลอ์หัวอักบัดในคร์อกุรอานอธิบายย่างอื่นบอกว่าอัลลอ์เอนี่ยส่งอะลมามัตต่างๆมาเยอะให้มีเกิดเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ เราก็มองเหตุการณ์เนี่ยผ่านไปโดยไม่จะใช้ปัญญาสักนิดหนึ่งคำว่าใครขาดทุนมนุษย์ขาดทุนเองเพราะฉะนั้นวากัสซาบูบิอายาตินาและไม่เชื่อสัญญาหรือองค์การต่างๆของเราของอัลลอเห็นยังครับอัลลอเน้นนะของเรานะของฉันนะส่งเหตุการณ์มาให้เกิดขึ้น ให้มีที่นั่นมีนี่มีนี่มีนั่นมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยๆมีลมพายุมาเกิดขึ้นบ่อยๆฝนตกมาน้ำท่วมนี่เป็นสัญญาณของอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่เขาไม่เชื่อมาจากอัลลอฮ์คอว่าเกิดขึ้นมาเองนึกว่าอะไรนะปับปบึกปับเบิปับเบิมาเองกมาเองหรือว่าอัลลอฮ์ส่งมาอัลลอฮ์ส่งมาแต่บทมนต์เราต้องมีอากิดาแบบนี้อย่าไปเชื่อตามคนกาเฟ่ ต่คนที่ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของ a ล l a h และเรื่องที่สมวะลีกออิลอิรอและไม่เชื่อว่าจะมีวันปรโลกนีน่แค่สามรายการนี่น่ไปไม่รอดแล้วนะอัาลองตายดูเจออะไรเจอไม้ถ้าพดย่างนี้ไม่เจองูก็เจออะไรนะเจอมแมลงป่องแค่ตัวเดียวเท่านั้นกูโบนวิ่งพลาดเลยวิ่งไปไหนอะ่ะ ทุกขังอยู่ในโลกอะไปน้องคิดเยอะๆอัลลอฮ์ฉ oh. ะนั้นเชื่ออัลลอ์ดีกว่าเชื่อรอซูล oh. ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอ์ดีกว่าปลอดภัยจากการลงโทษที่สูสารอัลลอฮ์อ oh. ักบามันยิ่งใหญ่จริงๆวาลีก อ, ล อ, อิลอาคิรอลีโแปลว่าพบอาคิรอหมายถึงวันปรโลกหรือวันอาคิรอถ้าไม่เชื่อว่ามีอาคิร อ, อธิบายยังไงไปน้อง ตายแล้วต้องฟื้นก่อนฟื้นแล้วเนี่ยไปน้องต้องไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์ถูกต้อนไปนะ <g üler> ไปโยนอยีทุ่งมาซาดนะ่ะไม่ใช่เรื่องสนุกต้องผ่านขั้นตอนอย่างน้อยหกเจ็ขั้นตอนนะจนกว่าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภานุวาตาลยนัแค่กินน้ำอ่ ะ, อะผู้คนจกินน้ํากว่านะเข้าเกาซัดน่ยบอ่อน้ำเกาซัดนี่ยที่อัลลอฮ์จะ ให้นบีมายืนตักน้ําแต่คนมุมนนมนนคุสลิมนี่แหละนบีจะจําได้ยังไงนบีจะจําได้เพราะมีรอยแล้วนะรอยอาบน้ําน้ำมาดมันขาวที่เด่นที่หน้าพาและขาวที่เท้าโอ้นันพวกฉันเชิญเชิญเชิญเชิญมเลยก่ายืนดักอยู่เองไม่ให้ไป <laughs> นบีบอ่ไปเข้ามาสิ นบีไม่รู้หรอกหลังจากนาบีตายไปแล้วพวกนี้เป็นมุสลิมเป็นคนแขกทั้งหมดนั่นแหละแต่มันทําบิดาตรงนี้ทหาที่ผมกลัวนะ่ะเอ็งทําอะไรไว้บนอยู่บนโลกดุยาเนี่นยไหนว่าเชื่อนบีนบี น, บ, นบีสั่งให้ทําเอ็งไม่ทําอ่ะเองเ็งไปอุตริทําเรื่องคิดเองอะไรเองเต็มไปหมดวันนี้อย่างเงี้ยที่เรากลัวเนะรากลัวตรงนี้พอจะเดินไปกินน้ําพียนบีตักให้มาลิกากาักว่าไม่ให้ไปนบีถามทําไมอ่ะ ก็มันทำของที่นบีไม่ได้สั่งให้ทำน่ะคิดมาเองเรื่องศาสนาเนี่ยอันตรายมากครับเพ่อน้องอตมาครับฟาอุล่าอีกฟิลอาดาบิมูฮดะรูอุล่าอีกันลว่าลานั้นหรือเหล่านี้ฟิลอาดาบอาดาบแปลว่าการการลงโทษหรือการทรมาน อาซาบเนี่ยคนอื่นให้ไม่ได้นะนอกจากอัลลอฮ์ท่านเดียวอาซาบการลงโทษของอัลลอฮ์มาที่ไหนครับมุฮับบรุนจะถูกนําเอามาเพราะวันกิยามะมาการลงโทษที่ท่านนาบีสอนว่าใครที่ไม่เอาอัลลอฮ์จะถูกลงโทษแบบนี้คนที่ไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดถูกลงโทษแบบนี้คนที่ไม่เอาซุน่านาบีมัชชาจะถูกลงโทษแบบนี้อยู่บนดุงดานี่ก็ว่า ท่านแน่จึงก็นำมาสินบีนามาในาวันเกียร์มาพอฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์จะให้เห็นหมดเลยอลลาดับที่อัลลอฮ์เตียมว่าจะเล่นงานคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธสุ น, านาัขนบีแล้วก็ปฏิเสธว่าจะไม่พบกับอัลลอฮ์นะอาดาบมาแล้วทะนี้อลามะนัตับเซตอธิบายนะครับคําว่ามุฮับรูเนี่ย เดิมแปลว่าถูกนำเอามาแต่อุลมามะท่านยะหยาบินซาลามแปลว่ามุดคิลูนถูกนำเข้าไปอยู่ในไหนนึกเองในไหนในนรกท่านอิบนุชาจาระแปลว่ามูกตีมูลอัลลอฮ์จะให้เขาอยู่ในการลงโทษนะครับหยุดตลอดไปเลยอยู่ในไหนอยู่ใน น, นรก แล้วก็อีกคำหนึ่งมัอัสซาบูนถูกลงโทษอยู่ในนรกตลอดเวลาอัลลอ์พี่น้องครับนี่พ อ, อ่านคุอานอายานี้อายาเดียวเนี่ยกลัวแล้วผมอ่านภาษาอุดูนการภาษาอุดูอธิบายอย่างนี้ฮามิชาอัลลอฮ์กิอัลลาบกีกฟเมรเฮงเกเขาจะอยู่ในการลงโทษของอัลลอฮ์ตลอดไปถูกทรมานนะพี่น้องัวอัสซาูนเนี่ยแปลว่าถูกทรมานตลอดไป ปฏิเสธอัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องปฏิเสธอิสลามปฏิเสธกุรานปฏิเสธสุนนะนบีแค่นี้แหละพี่น้องครับถูกลงโทษจากอัลลอ์สุภาหนาโวนั่นแลในกุรานที่พูดเรื่องอย่างนี้เนี่ยว่าอัมมัลลาดีนักกฟารูวะกาซาบูเบียยาตินามีประมาณหกอายะในคัมภีก์คุรานพูดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเตือนให้นบีมฮัมมัดตเตือนคนที่อ่านกุรานวันนี้ ต้องระวังตัวให้ดีนะถ้าไม่เชื่อ Allah, อ, อัลลอ์ไม่เชื่อกูรอานไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยอันตรายหมดเลยนะครับอาทิตย์นี้มาดูคนที่คนที่เชื่ออัลลอ์เนี่ยเป็นยังไงนะให้กำลังใจพวกเรานะคนที่เชื่ออัลลอ์ว่าอัลลอ์มีจริงแล้วก็เ ช, ชื่อว่าตายแล้วฟื้นเชื่อว่าตายแล้วจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่พี่น้อง ในทุวงมหชัชชนี่นะอยู่ในทุ่งมหชานสัคนที่คนที่มีอ ي มา ن น, นะข้อที่หนึ่งนบีจะจำเราได้นะมีอยู่ห้าหรายการทคานนะีคนอ ي ม ا ن นะคนอม م า ن ต่อ Allah, อัลลอฮ์ إ ي ต่อ Al uran, อัลกุรอาน إ ي م า ن ต่อสุนนะนบี إ ي م า ن ต่อมัลลาอิกะ إ ม م ا ทั้งหกข้อเนี่ยนะอัลลอ์จะให้เราเนี่ย ห้าหรายการที่ทูงมาชาติรายการที่หนึ่งจะมีจุดคำว่าจุดขาวบนใบหน้าของเขาเพราะร้อยอาบน้ําน้ ำ, นำาดเรื่องที่สองนะครับที่ข้อเท้าของเขาสีขาวเพราะร้อยอาบน้ําน้ำาดบนโลกดุนยาไปนี้อร่อยดีไหมที่เรักษาอาบน้ําน้ำาดก็อยู่วันนี้นะไปโพรที่นูน่นไปโทรที่ไหนที่ทูงมาชาตินะ ตายก่อนแล้วฟื้นขึ้นมาน่ะเอาข้อที่สามนะครับจะที่หน้าผากของเขามีรอยสูญูดที่หน้าผากมีรอยสูญูดที่เขาสูญูดนี่ที่ก้มกาบสูญูด ต, ต่ออัลลอฮ์เนี่ยรอยสูญูดเราจะไปโผล่ที่ไหนหลังจากตายฟื้นขึ้นไปยืนอยู่ต่อหน้าอลัลลอฮ์ไปโผล่ตรงโน้นพี่น้องเห็นยังครับข้อที่สี่พี่น้องอลัลลอฮ์จะ ยื่นสมุดบันทึกมือไหนมีอยสองมือมือขวาเอา้าเอาไปอลัลลอฮฺก็ว่าในข้อที่สนีะ่นะนะข้อที่ห้าในวันกิยามะพี่น้องครับรัศมีแห่งอิมานที่เราอีิมานต่อโลกอิมานต่อรัศมีอิมานต่อคัมภีร์อิมา น, ต, มานต่อวันสิ้นโลกศรัทธาต่ออะไรต่างๆหกประการนี่นะมันจะเป็นรัศมีนะเดินนําหน้าเราแล้วก็เดินอยู่ข้า ง, ข, างข้างขวาของเรา ในขณะที่คนที่มีอาสัตว์หนาอยู่บนดุญยาน้ตาไปภาพมืดหมดเลยพี่น้องในทุ่งมาชัดไม่ใช่ไม่ใช่สว่างนะมืดนะแล้วคนที่มีอีมานเนี่ยอีมานจะเป็นรัศมีเดินนำหน้าเขาแล้วก็อยูข่ข้างข้างขวาของเขาเอาลออักบัสเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทางกาีรกุรอานอนธะิบายเอาไว้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเป็นมุมินดีกว่านะ อยู่ในศาสนาของก็นและดีกว่านะพี่น้องอดทนกับความลําบากเล็กๆน้อยๆดีกว่านะทีนี้คนที่เป็น ม, มุสลิมเนี่ยถูกถูกทดสอบไหมถูกครับออาขอยกตัวอย่างนะลูกสาวนะบีเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมมีวันหนึ่งเนี่ยยิบรีน ล, ลงมาหานะบีมาเล่าว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์นี่เป็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ชาวบ้านนะบีเป็นชาวสวรรค์เยอะ ลูกสาวนาบีเป็นชาวสวรรค์ภรรยานาบีเป็นชาวสวรรค์มาดูชาวสวรรค์อยู่บนดุนยาเนี่ยอยู่ยังไงนบีไปเยี่ยมทิญิงฟาติมาไปเคาะประตูบอกว่าพ่อมาพาแขกมาคนหนึ่งทิหญิงฟาติมาตอบว่างไงทําไมพ่อเข้าบ้านไม่ได้ห้ามไม่ให้เข้าพาแขกเข้าบ้านไม่ได้เพราะหนูเนี่ยมีเสื้อใส่มีผ้านุ่งแต่คาดอะไรขาดฮิญา ขาดผ้าคุมพียาบนาบีก็ยื่นผ้าซาราบันให้เอ า, อาไปพอแต่งตัวเรียบร้อยแล้วคุณพ่อเข้าได้พาแขกเข้าได้พอเข้าไปในบ้านเนี่ยไปเจอลูกสาวนาบีชื่อฟาติมาอดีย์ลลอังอันฮานอนไม่สบายอยู่ถามว่าลูกเป็นอะไรอะ่ะฟาติมาตอบว่าไงนะมะหนูไม่ได้ทานอาหารมาสองวันกินอะไรแทนอินท่าลามกับน้า นบีก็บอกว่าลูกเอ้ยพ่อน้าสามวันเห็นอย่างครับคนรักของอัลลอฮ์ทำไมถูกทดสอบแะ่นั้นการทดสอบมีด้วกันทุกคนแคนั้นอย่าไปกลัวการทดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮู ว, วะตาลนะอย่า ก, กลัวพี่น้องแล้วก็ถ้ากลัวน่ะไปรอดไหมล่ะทุกคนถูกหมดจะนับถืออิสลามไม่ใช่อิสลามคันกาเฟตยิฮูดีในตอนีน้ถูกทดสอบจากอลัลลอฮ์หมด แต่คนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เท่านาั้นนะครับเอาต่อตามาอายาที่สิบเ็ฟาสุบะฮนัลลอฮฺฮนาตุมซูนาวะฮีนาตุบิฮนฟาสุบะฮนัลลอฮ ไ حين تمسون وحين ت ص น, น, น ح و ن الحمد لله ข้อพระนี้ไปต้องรู้ไปพูดเรื่องอะไรก่อนที่จะแปลคือสั่งให้มุหมินนี่อดทนอดทนในการอะไรหรือเปล่าให้สรรเสริญอัลลอฮ์ยยเยอะๆสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยรวมไปถึงนมาดด้วยนะ แล้วก็อายานี้อัลลอฮ์พูดว่าช่วงเย็นกับช่วงเช้าแล้วเวลาเอ่ยนัเอ่ยช่วงเย็นก่อนช่วงเช้าเนี่ยมาทีหลังอธิบายยังไงต้องการจะบอกว่ากลางคืนมาก่อนกลางวันอยในคัมพีกุรอานเราจะเป็นเข้าดาวตอนเที่ยงคืนไม่ได้ต้องเข้าดาวตอนมกริบ อัลลอ์วังบาตรเปน้องถ้าอ่านคุราอ่าน้ะเป็น้องเข้าวดวงข้าวดาวไม่มีเลยเดี๋ยวนี้มุสลิมก็หลายคนะต่อบาตัวฉันไน่ไปข้าวดาวแล้วพอโทรศัพท์มาในช่วงปีใหม่ปีเก่าเนี่ยเพราะว่าห้ามดูเวลาดีมากแต่ห้ามดูเวลาเลือกข้าวดาวแล้วเอามาดูคุรานฟาุบหฮานัลลอฮซุบะฮานัลลอฮนี่แปลว่ามหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่ Allah มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่ล l l a h แต่ในทับศีรในในทับซีรอธิบายดีนะครับในทับศีรอธิบายทับศีรไบร์ลอวีนะแปลว่านี่เป็นคําสั่งเป็นคําสั่งจงสารเสริญสะดุ ด, ดีต่อ Allah คำว่าซุบฮานละลอเนี่ยสับเดิมเนี่ยแปลว่าอะไรนะมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่ล l l a h แต่เนในทับซีรอธิบายว่า สั่งให้มุมินเนี่ยจงสรารเสิญต่ออัลลอฮฺสะดุดีต่ออัลลอฮฺพูดชมเชยอัลลอฮฺ س ب ح ا ตาอลฟาสุบฮานกาปนคสั่งนะอินฟอันอามรจงสะดุดีต่ออัลลอตอนไหนครับไฮนาตุมซูลไฮน์นบบว่าเวลาหรือวัายามยามไหนครับตุมซูลช่วงท่านมีชีวิตอยู่ในตอนเย็น ในตอนเย็นที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนเย็นยังไม่ตายนี่ให้ทําไงงานเอื่นทิ้งให้หมดทำอะไรสนเสริลอร์ Allah, ชมออลลอฮฺออลลอฮฺให้นักให้นามาดนะพูดง่งายๆก็ให้นมาดนามาจะได้บ้างตอนเย็นนมาดมักเรียบกับนมาจะอะไรนมาดอิชาให้มาพี่น้องนมาดมักเรียบกับ น, นมาดอิชาพี่น้องเอาต่อมาอีกวะฮีนัตุสบิฮุน และเมื่อสู่เจ้าย่างเข้าอยู่ในตอนเชา้าชายชีวิตอยู่ในตอนเย็นอย่าลืมน้ำหมาดมัารีบกันนมาดดิชาอย่านมาดคนเดียวน้ำหมาดกระขายเอกอ่าอภรรยามีอ่าเตือนภรรยาถ้าภรรยาเขาชาสนาก็เตือนสามีก็เตือนลูกเตือนหลานให้น้มาดด้วยกันให้ครบบ้านจะมีบรกิการไหนพี่น้องแล้วก็ต่อมาครับว่าให้นาตุสเบียวแล้วก็ สูญเจ้าย่างข้ายามเช้ามาถึงนมาอะไรนมาสุโบอย่างน้อยสามเวลาแล้วที่อุลมอฮฺอธิบายต่อไปอีกอ่ะไอ้กลางคืนเนี่ยกับตอนเช้าเนี่มนรวมนมาอะไรบ้างหรือเปล่าอา่านนมาอะไรตะฮัดยุดตอนกลางคืนแล้วก็พอตอนเช้ามีนมาอะไรนมา ด, ดุฮาแล้วก็อะไรมาอะไร อิชรอฟใช่ไหมอิชรอฟกับดูฮานั้มสับอันเดียวกันอิชรอฟไปอัตวันขึ้นอนุญาตให้ทํานมาดุฮ้าได้พอตะวันขึ้นได้ประมาณ15นาทียีบนาทีนมาดก็นมาดได้นมาดดูฮ้าในเวลาอิชรอฟทำได้ละนี่คุมหมดเลยทช่ยังครับคุณอ่านอ า, อายาเดียวในคุมชีวิตเราหมดเลยว่าต้องนึกถึงอัลลอฮฺผ่านการนมาดช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าเอยเย็นก่อน เออเย็นพับข้าวดาวจบหลับลลอย่างนี้นหละไปนอนอย่างครับนี่คือชีวิตของมุสลิมต้องผูกพันกับอัลลอ์สุบฮานะอูวะตอัลาในตับเซ ค, คุรตัวบีอธิบายดีก็บอกว่าฟาซุบฮานอัลลอฮ์ให้นาตุมซูนว่าให้นาตุสบิฮูเนี่ยมหารบสยุ่งแต่อัลลอ์เมื่อสู่เจ้าย่างข้าวยามเช้า นะครับให้นามานว่าไอ้ยามยามเย็นให้นามานว่าริบนามานอิชาแล้วเมื่อสู่เจ้าย่างเข้ายามเช้าให้นามานสุโบคําสั่งนี้นะขีตอบุญลิลมุมินินเป็นคําสั่งอัลลอฮฺพูดกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นเป็นอย่างครับถ้าเป็นคนแขกอะอาจจะไม่สั่งก็ได้เองคนแขกเองเนี่ถ้าเป็นมุมินผู้ศรัทธาต่อกะ้อเองต้องน้ำมันนะ ตองกาจะให้ลูกเป็นมุ่งมิตรต้องบอกลูกให้นามาตเอาให้หลานนามาต์อลอรอถาว่าหน้าที่เหนื่อยไหมเหนื่อยครับลูกบางคนก็ปลูกครั้งเดียวใช่ไหมหลายคนนะข้อห้าที่ยบยังไม่ตื่นเลยก็ต้องอดทนต้องสบายทำงานศาสนาต่อไปอ่าห้มดุริเลอพี่น้องแล้วก็ให้นามาตให้ส่งเสริมให้ครอบครัวได้นามาตให้ครบเวลากี่เวลาห้าเวลาขับนีอายาที่17เจ็อาต่อมาอายาที่ สิบสี่วะลาห์อัลฮะมดุฟิสัมมาวะَิวะลัรด์ و ะชีอูวะฮีนัตُูฮิรุน م า มาดูคําแปลคับพี่น้องวาลาหุลฮัมดูลาหูแปลว่าเป็นของเป็นของอัลลอฮ์นะลาหูแปลว่าเป็นของอัลลอฮ์อัลฮัมดูหมายถึงการสรรเส ร, ริญการชมเชยการสรรเส ร, ริญเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดจะชมเชยใครก็ตามแต่กลับไปหาอัลลอฮ์หมดเลยเห็นไหมพี่น้อง ทำดลยเราว่าเราดการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺฟิซซามาวานัน อ, อันนี้ชัดเจนเลยที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดที่มลากาอยู่ในชั้นฟ้าใช่ไหมมลายกาสรรเสริญกลับไปหาอัลลอฮฺหมดเลยแล้วก็บรนดานาบีที่อยู่บนชั้นฟ้ามีไหมีมครับ อานบีอาดัมอยู่ชั้นฟ้าชั้นที seconds, ่หนึ่งนบีอิบราฮิมชั้นฟ้าชั้นที่สลายนบีมูซาชั้นฟ้าชั้นที่หกเราต้องเราต้องนึกตลอดเวลาอัลลอฮฺบรรดานบีอยู่ข้างบนหมดเลยอ่ะมาเลกาอยู่ข้างบนหมดมาเลกาอยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยเยอะขนาดไหนท่านนบีอธิบายเองนะอยู่บนชั้นฟ้านี่นะที่สี่นิ้วนี่นะที่ว่างแค่สี่นิ้วไม่มีครับ แค่สีนิ้วเนี่ยเอามือเราเนี่ยถ้าดูสีนิ้วแค่นี้ ว, ว่างๆแค่นี้ไม่มีครับมลัยกะเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็เหมือนนั่งอยู่บนเตียงอะ่ะชั้นฟ้าเนี่ยดังเอ็ดเอ็ดเอ็ดเอ็ดด้วยความแน่นของมดมามมลัยกะอลัลลอฮลเลาะห์เล่าให้ฟังนะบีลเล่าให้ฟังท่านบนชั้นฟ้าทั้งหมดเนี่ยมลัยกะเต็มไปหมดเลยอะ่ะถ้าเห็นนะแต่นี่ไม่ให้เห็นแต่ไปเห็นตอนตายอะ่ะ ต่อมาเลกาถือไม้มหาเนี่ยอัลลอฮ์คือใครนบีมุฮัมมัดคือใครอิหมามของคุณคือใครเอ็มตอบไม่ได้จุสิเพิ่งเห็นมาเลกาอ๋อมาเลกาอย่างนี้เองเลยเนี่ยตายจริงแล้วก็ขอร้องให้ฉันกลับไปมีชีวิตใหม่ไปแก้ตัวใหม่อัลลอฮ์ส่งไหม ขนาดคนดีๆนอนอยู่ในกูโบขอร้องอลัลลอฮฺจะบอกกลับไปบอกภรรยาที่บ้านไปบอกลูกว่าฉันอยู่สบายอาลัลลอบอกแล้วก็เห็นนอนสบายๆไม่ใช่นาที่ของคุณหน้าที่ฉันเองจะต้องบอกให้มุมินเนี่ยให้นามาตวไม่ใช่นาที่คุณคุนนอนสบายๆเห็นอย่างครับฉันั้นถามว่าวิ ญ, ญญาณตายไปแล้วเนี่ยนะกลับมาเที่ยวบ้านไหม นี่เป็นคำตอบชัดๆมาเขาไม่เอาล่ะไม่ให้มาแต่ยังมีมุสลิมยิงเชื่อมีเยอะมั้ยเยอะวิญญาณกลับมาเที่ยวบ้านคืนไหนคืนวันศุกร์ก็เนี้มีคนเล่าอยู่ผมฟังว่ามีลูกชายตายเราเข้าฝันที่คล้ายกันไหมลูกอยากกินข้าวหมกทำงานก็โทรศัพท์าามาหาผมเพว่าไอ้คนฝันอยากกินก็นซื้อให้มันกินไปกัแล้วกัน มาคนเดียวทำอะไรไปนอกนี่ยมันหลอกกันบุญญยาเนี่ยหลอกไหมหลอ ก, ลอกของที่มาได้มาจากอัลลอฮ์เราซุนคนเชื่อง่ายเลยนะไอ้ที่มาจากอัลลอฮ์เราซเนี่ยอัลลอฮ์เชื่อยากนะ่าดูมาต่อมาครับวะลาฮุลฮามดูฟิสซามาวาติวันอัลอาญาเนี้ต้องการจะเตือนมุขคนอ่านคุณอ่านบอกดาบีว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีความสามารถนะ อุจรร์อิลาฮีเนี่ยยิ่งใหญ่นะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดสรรเสริญต่ออ AH. ัลล์วันอารดและที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดสรรเสริญอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลอฮอลมะอติบายะขึ้นอัลฮัมดุลิลลาเนี่ยวลุลฮัมดหมายถึงว่านามานนะเพราะว่าอัาน บ, บิสมิลลาเนี่ยเาอ่านเสียงคอย่อยอิหมามเนี่ยใช่ไบิสมิลลา Allhamdulillahirobbinalamin al ข้อนั้นการจะอธิบายว่าบนแผ่นดินคนที่นมาดคือคนที่ชมเชยอัลลอฮ์สุบฮันละบนชั้นฟ้ามลายกาเต็มไปหมดมลายกายยืนอยู่ในท่ายืนมีไหมมีท่ารุกขว้นมีไหมมีม่รู้จุนวนเท่าไหร่ท่าซูยูนมีไหมมีหลายท่าท่านมาดทั้งหมดมลายกา ทำงานของอัลล์สลุฮานัลลอฮอัลลอฮยิ่งใหญนะ่ต่อมาครับว า, าชียอาชียุนเนี่ยแปลว่าเวลาพบคำ่ำเวลาอะไรนะเวลาพบคำ่ำเวลาตะวันตกเนี่ยยามยามอะไรนะยามตะวันตกตอนตะวันตกขึ้นนัมาอะ ไ, ไรนั่มาตมัริบแล้วก็นัามาอิชา ต, ต่อมาครับ วะฮีนาตูฮิรุนแล้วก็ยามย่างเข้ายามบายใช่ไหมย่ยางเข้ายามบายอัลลอฮฺอักบรเนี่ยอัลลอฮฺเตือนคนอ่านคนอ่านไว้เองจะต้องนึกถึงฉันนะจะต้องสวดต่ออัลลอฮนะช่วงเย็นแล้วก็ช่วงย่างเข้ายามบายมาถึงนมาไมาด้ไหนมาดูฮุลนมาดอัลส แล้วก็นามาสอะไรนะดูฮาอัลลอฮฺอั ล, ลาบิดคุมชีวิตตราหมดเลยครับพระหัมนุลเลาห์พี่น้องกุรอานนี่เตือนใจเรานะตลอดเวลานะครับไม่ให้เราเนี่ยเหลิอง <c oughs> อ่นานบีสอนอย่างนี้นะครับนบีสอนบอกว่านาบีอิบราฮีมนี่นะไอ้ตับซีอธิบายนะนบีที่มีชื่อดังๆในโลกนี่มีนบีอะไรบ้าง เขาเอ่ยนาบีอิบราฮิมนบีอิบราฮิมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคอ ล, ลีลลอฮเป็นอะไรเป็นมิตรของอัลลอฮฺทำไมอัลลอฮฺจึงยกย่องให้นบีอิบรอฮิมตั้งฉายาว่ามิตรของอัลลอฮฺอธิบายอย่างนี้สาเหตุเพราะนาบีอิบรอฮิมอ่านดวอาบทนี้ ฟา ب ะฮา ا ل ل ลตั้งแต่อายะที่สิบหอัลลอฮ์แล้วก็อายะที่อายะที่ที่สิบดเยอายะที่สิบเล ب ะฮา ا ل ل ลอฮ์ให้นาตุมสูนาว و หุบอ่นตอนเช้าแล้วก็อ่านอีกอายะหนึ่งวะลาฮุลฮัมดุฟิสสนาวะติวะ ว่าชี้เว่าใหนาตุสิรูตอนช้าก็อ่านตอนเย็นก็อ่านแค่สองอาย่านี่นะทุนอัลลอฮ์เลยแต่งตั้งให้นบีบรหีมเป็นอะไรเป็นขลีลุลลอฮเพราะท่านนอกจากชมเชยลลยังนามาดอีกนามาดแบบไหนเราไม่รู้นะแต่สรรเสริญชมเชย อ, อัลลอฮ์มากอัลลอ์เลยแต่งตั้งให้เป็นขลีลุลลอฮ และนบีมาสอนต่ออีกนะแต่หากพวกเราวันนี้คนที่เป็นบา่าวของของอัลลอฮ์ในยุคของนบีมุฮัมมัดเนี่ยถ้าใครที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็อา่อานอ่ญญานอายะเนี่ยอะไรนะฟาซุบะฮานัลลอฮีนัตุมซูนวะฮีนัตุสบิฮูนวละฮุลฮัมดุฟิสมาวาวะทิวัลออร์วะชีอูวะฮีนัตุฮิรูอ่านตอนเช้า ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งสามครั้งก็ได้เอาอ่านก็แล้วกันแล้วก็อ่านตอนเย็นเองงานศาสนาที่เราทำแล้วมั น, ม, น, ม, นมันไม่ครบมันขาดตกบกพร่องไปบางเรื่องนะอัลลอฮ์จะให้เติมเต็มเพราะบราระกัดของคุณอ่านสองอาย่นี้อัลลอฮ์ดีมดีเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮ์ี่น้องที่ั้นเราก็ต้องต้องโยมกับอัลกุรอานชีพิตเราต้องนึกถึงอัลลอ์เยอะๆแค่อ่อาอุนอนกับสองอยายเองนะ ฟุ้ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيء وحين تثيرون الله ะ ي รไมด้นีลล่แหลต้องกระทำจากันเลยนะเขียนแปะไว้ที่ฝาผนังบ้านมองดูเออเอาตัวมากับ <c oughs> บางคนอธิบายอธิบาย อธิบายคุรานนะครับพี่น้องอธิบายกุรานนี่แหละให้อ่านนู่นอ่านนี่เพื่ออะไรเพื่อให้ทาให้เราในอะไรนะผู้โยมกับอัลลอฮ์สุบฮานูบะยาอายาที่สิบสิบเก้านะครับยุคริจุล حياء มินะลไมตวายุคริุลมตมินะล ح ي ا ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. อัลฮัมดุลิลลอฮฺพี่น้องอัยานีเตือนครับเป็นอย่างนี้ไข่กับไก่เนี่ยไข่มาก่อนนะไข่กับไก่อะไรมาก่อนพู้เธออะไรมาก่อนไก่เดี๋ยวดูดูคุณอ่านก็นั่งเถียงกันไก่มาก่อนไข่หรือไข่มาก่อนไก่เถียงกันในวันนี่คือกุณอานคตัดสินดีที่สุด ความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นงนี้นะคือโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอัลลอ์สร้างมานะกี่วันรู้มหมห6วันสร้างอาหารน่ะสี่วันสร้างอาหารมาเลี้ยงมนุษย์น่ะสี่วันยังกลัวอีกกลัวจนกักตุนบแบบแบบมดใช่ไหมกักตุนอาหารแบบหนูและเราไม่ตัางอะไรกับมดกับหนู แต่น บ, บีสั่งว่าอยากักตู้เยอะนะขนาดไม่เยอะเนี่ยเต็มตู้เย็นนะเปิดภาพนอะอลลอท่านยังกลัวเองนะอีกสามปีกวจะอยู่ไหวหรือเปล่า อ, ลอัลลอฮฺทำไมคิดยาถ้าขนาดนั้นละ่ะมันต้องคิดวันต่อวันอ่นดูกรุรานครับยุคริยุลฮายะฮายะแปลว่าอะไรสิ่งที่มีชีวิต อ خ ر รราชยุคลิจูยุควยยุคลไแปลว่าออกยุคริแปลว่าออกนะอัลไหยะสิ่งที่มีชีวิต t, มีนัมยตยตแปลว่าอะไรสิ่งที่ตายก็เรยกมยตมยตเคคนตายนั่นแหละสิ่งที่ตายตกลงว่าสิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต ไก่กับไข่ไข่ไขมาก่อนถ้าอนุญานี้ใครมาก่อนยุคยุลไฮยามินัไมยตสิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเอาไก่กับไข่เนี่ยมาก่อนถ้าอนุญานี้แสดงว่าไข่มาก่อนไก่ก็สิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต แล้วต่อยอดเอาโอใช่เลยไก่เขาขายอะไรมากก่อนไข่มาก่อนจากรยานี้นะยุคดิยุทัลไฮยามินัลไมยิตสิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเหมือนกับคนก็เหมือนกันเนี่ยอัลลอฮ์สร้างคนมากี่แบบสี่แบบแบบที่หนึ่งสร้างอาดัมมีพ่อไหมพ่อไม่มีแม่ไม่มี แบบที่สองสร้างโตคาวาภรรยานบีอาดัมผ่านใครผ่านพ่อไม่ผ่านแม่แบบที่สามสร้างนบีอีซาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแบบที่สี่พวกเราเนี่ยสร้างมาจากน้าอสุจิผ่านพ่อและก็ผ่านแม่เอาถามว่ามนุษย์เนี่ยมาจากอะไรคำชัดเลยมาจากดินมีชีวิตเปล่าไม่มีชีวิตนี่ไง มนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้นะออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตแผ่นดินมีชีวิตไหมมีชีวิตต้นไม้มีชีวิ ต, ต, วตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเอาอย่ามเม็ดมันเนี่ยไม่มีชีวิตใช่ไหมนะพะโยนลงไปฝนตกลงมางอกขึ้นมาจากดินไม่มีชีวิตดินก็ไม่มีชีวิตอะไรมะเมล็ดก็ไม่มีชีวิตแล้วมันอ ง, งอกมาได้ยังไงอ่ะนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังชายปัญญาบ้าง เกิดขึ้นมาเองได้ไหมอ่ะมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นมาเองบนโต๊ะผมมีสามสรายการนี่แก้วน้านี่มีคนทำนี่น้าเนี่ยมัดเอามาให้ผมดื่มอ๋อมีคนทำทั้งหมดน่ะภาชนะาเนี่เกิดเองเหรอแต่พอถามว่าใครสร้างดวงอาทิตย์เกิดเองธรรมชาติอ๋อธรรมชาติใครคุมอ๋อคุมอยู่ครับวันนี้ ยุครียุลไฮยามินัลไมย์อัลลอฮ์เนี่ยน่าสงให้สิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตแสดงว่าไข่กับไก่ไข่มาก่อนไข่มาก่อนไก่มาทีหลังนะครับต่อมาครับวายุค <way> รีย <hay> <way> ุลไมยามินัลไฮวายุครียุลไมยิตามินัลไฮแล้วก็สิ่งที่มี สิ่งที่ไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตก็ตักกับไปกลับกันมาอธิบายอย่างนี้คนกาฟนี่อินซาดินาอุมัตรอถิยอัลลอฮฺของอันอธิบายว่าคนกาเฟนี่นะคนมุมินเนี่ยมาจากคนกาเฟาใช่ใชหรือเปล่าตัวท่านเองกับคนกาเฟนมาก่อนใช่ไหมแล้วมารับอิสลามท่านอบูบากกับเป็นกาเฟนมาก่อนมารับอิสลามสบานาบีทั้งหมดเนี่ยกาเฟหมดเลย คุณเนี่ยมรับมิสลาวเนี่ยมาก่อนเป็นกาเฟใช่ั้ยเป็นมุสลิมแล้วยางครับนี่คุณอาจาสอนให้เราเตือนเราอัลลอฮอักบัฮอัลฮัมดุลิลลาฮฺต่อมาครับยุฮฺิลอัรดะบาอัดามอติฮะยุฮฺฮิลปว่าให้มีชีวิตอัลอาร์เอร์ตแปลว่าแผ่นดินบาดามาอติฮหลงจากที่มัน ตายไปแล้วต kind of ายมาถึงแห้งแล้งแผ่นดินที่แห้งแล้งเนี่ยวิธีจะทําให้ให้แผ่นดินที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาทาไงให้ฝนตกลงมาคนอานอธิบายอีกฝนน้ําฝนกับอิสลามเหมือนกันหัวใจคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกหัวใจตายอะไรตายด้านพอรับอิสลามปั๊บ เป็นหัวใจที่ไม่ตายได้แล้วเห็นไหมครับพอรับอิสลามปับมันไม่ต่างอะไรกับแผ่นดินพอถูกฝนลงมาน้ําตกลงมาชีวิตชีวามันขึ้นต้นไม้ขึ้นอะไรขึ้นจะรู้ว่าแผ่นดินมีชีวิตชีวาเพราะน้ําฝนหัวใจของมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จก Allah, ักอัลลอฮ์ก็เรียกว่าหัวใจตายด้านพอรับอิสลามมารู้จก Allah, ัจกอัลลอฮ์รู้จกกักนบีรู้จักคุรานรู้จักตายแล้วฟืน้นรู้จักว่าตายแล้วต้องไปยืนอยู่ต่ออัลลอ พิ่งจะมีชีวิตชีวาจากอิสลามสถานหัวใจของมนุษย์กับแผ่นดินไม่ต่างกันนี่คุณอ่านนี่เตือนครับวายุฮิลอัลบะบาอัดามาติฮะแผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากที่มันแห้งแล้งไปแล้ววาคาซาลิกะในทํานองเดียวกันนี่อัลลอฮ์พูดนะวาคาซาลิกะตุคฮรออูในทํานองเดียวกันคุณก็เหมือนกันมาถึงมนุษย์ ทิ้งตังอยู่ตรงนี้นี่เป็นร้อยเนี่ยเนี่ยวันหนึ่งคุณก็จะต้องตายแล้วตายไปไหนฝังดินคุณก็ออกมาจากดินเหมือนกันวกก้าวหก็ตุ๊ระยูนวันหนึ่งคุณก็จะต้องฟื้นออกมาจากกูโบนั่นแหละเห็นยังชัดเจนครับเนี่ยอัลลอฮ์เล่าไปเรื่องจริงทั้งหมดอัลลอฮ์พี่น้องครับอ่านคุรานเนี่ยอัลลอฮ์เปิดสมองเปิดปัญญาเปิดหูเปิดตา เราเนาีนะ่ไม่ได้เกิดมาฟรีๆนะไม่ได้เกิดมาเล่นๆ น, นะมีเป้าหมายของชีวิตนะคิดดูให้ดีครับแปลใหม่ยุคริจุ l ม ي ا منالميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذا ل ِ ك َ ت ُ خ ر จ, จ, จ و ن อัลลอฮ์เนี่ยให้สิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตแสดงว่าไก่กับไข่อะไรมาก่อนไข่มาก่อนแล้วก็ไก่มาที่ต่างคนก็เหมือนกันนะครับคนก็มาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตขึ้นมพีอาดัมเนี่ยสืบไปสิกลับอัต่อมาอัลลอฮ์เอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่มีชีวิต ต่อมาครับแผ่นดินที่แห้งแล้งที่ตายานี่นะอัลลอฮ์จะให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยน้ำฝนอิสลามก็เหมือนกันใครที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์พอเรียนอิสลามรับอิสลามหัวใจของคุณเป็นหัวใจที่โอ้โหอักวัดไม่ใช่หัวใจตายได้แล้วนะครับ วากาซาลิกะตุครยุนเช่นเดียวกันคนที่ตายอยู่ในกุโบทั้งหมดวันหนึ่งจะต้องถูกให้ฟื้นขึ้นมาจากดินเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับอัลฮัมดุ ล, ลิลเลครื่องหมายวันจี亚马 ม, มีครับออรรถให้ฝนตกลงมาน้ำฝนอันนี้แหละเวลาลงไปถูกเครียนะก้นกบคนนี่นะ เน่าหมดละไอ้ที่ไม่เน่าก็มีอัลลอฮ์รักษาไว้อย่างนบีเนี่ยรักษาไว้มีก้นกบอยู่นิดนึงนะพอถูงน้ําพับกลายเป็นคนเหมือนเดิมนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าเรื่องเนี่ยง่ายมากยาซี้รุนให้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องเล็กๆฉันจให้ฟื้นอะไรก็ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่แต่ถามพวกเราว่ายายมาโอ้โหใหญ่จริงๆห้ำดุลิละเอาไปยะ สุดท so you know. ้ายคับพี่น้องว่ามิในอาตีอัน خلق لكم من طراب سُمّا إذا أنتم بشرٌ تنتشرون ว่ามิในอ้ายติอัน خلقكم من ُ ر ا, ا, أ ب ثم إذا أنتم ب ش ر ٌ ت َ ن ت ش ر و ن َ ا ล ح م ม ل ุ ه ا ل ح อ د ل ل ه มดุลลอายะสุดท้ายนี่ดีมากครับคือเป็นงี้นะไก่ออกมาจากไข่ แล้วก็ไข่ก็ออกมาจากไก่คนมาจากน้ําอสูจิน้ําอสูจิก็มาจากคนมุมินคนมุมินมาจากคนกาเฟสและคนกาเฟสก็มาจากคนมุมินต้นไม้ออกมาจากเมล็ดและเมล็ดก็มาจากต้นไม้แต่อะไรมาก่อนกายคุณอ่านอะธิบายแล้วอะไรมาก่อนเข้าใจนะเอามาอายุสุดท้าย ว่ามิ่งอ้ายดีอายต์นี่แปลว่าสัญญาณต้นไม้ ก, ก็เป็นสัญญาณชันฟ้าสัญญาณดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นสัญญาณมนุษย์ก็คือเป็นเป็นสัญญาณแพะแกะวัวควายเป็นสัญญาณที่อัลลอฮ์ให้มาเสึนามิเป็นสัญญาณลมพายุมาอะไรนะป่าบึก <c oughs> นี่ก็เป็นสัญญาณของอัลลอฮ์มาได้มากระฟีแล้วก็อัลลอฮ์ให้มาเพื่อจะมาเช็คมนุษย์อืเองอ่ะ มันจะสูญอยู่มานานแล้วนะห้าปีแล้วเนี่ยเป็นแขกมานานแล้วอะนามาดบ้าง <c oughs> เตือนซะเตือนเตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแเปลี่ยนแปลงสัญญาณมาเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงครับวามินอายาตีและสัญญาณหนึ่งในสัญญาณหนึ่งในสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างครับอันคอละกอกุมอัลลอฮ์สร้างสูสรสเจ้ามาอัลลอฮ์อักบัดอัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดเนี่ย แล้วก็สวยที่สุดนะ่ะในโลกนี้ไม่มีใครสวยเท่ากับมนุษย์และประชากรทลรายวันนี้ทลายไปเจ็ดพันล้านใช่ไหมล่ะแล้วหน้าเหมือนกันไหมนี่รอยรอยนิ้วมือเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะ่ะใครบริหารได้อ่ะ อ, อ๋ออาภวัสเราจะเลี้ยงลูก5คนเรามินแล้วลูกคนนี้ขอรู้่าพุทธธไหวหรือเปล่าเนี่ย นี่อัลล์เรียกมูลเลยเจ็ด0ันล้านคนรับผิดชอบหมดไปนั่งข อ, งอทุกอา์ที่ไหนที่ที่ทุ่งอะไรทุ่ง ม, มุนามีนาใช่ไห ม, มพอเขาพร้อมๆกันน่ะสามสี่ล้านคนอัลล์รู้ว่าเ อ, ข อ, อ็ขออะไรขอไอนี่ขอไอ้นี่ข อ, ขอมีไอ้นี่ขอลูกไอ้นี่ขอเงินเพิ่มไอ้นี่ขอให้ริสกิอัลลอ์อัลล์รู้หมดใช่ผมนึกถึงลุงนาบีชื่ออะไรนะอับบาสใช่ไหม อ า, าบดุลุงนาบีลุงนบีมีตําบลหกคนสองคนเสียชีวิตก่อนก่อนนบีเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นนาบีสองคนรับอิสลามอีกสองคนโอ้โหขวางหน้าดูเลยอบูญานนี่ขวางหน้าดูเลยนะอบูตอเลบก็สนับสนุนนาบีแต่ไม่รับอิสลามลุงนี่ยรับอิสลามไม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราสงครามอะสงครมบาดัสนะจําได้ใช่ไหมนบี ไปทําออกสงครามกับลุงนะ่ะลุงพาทหารมาตท่าไหร่สามพันคนนบีพาสวาบาไปสามรอยคนพอสงครามกันแล้วใครแพ้สานะพัน่ะแพ้ถูกจับเป็นเชลยหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วก็นบีกับสวาบาประชุมกันว่าคนที่ถูกจับเป็นเชลยต้องเสียค่าไรค่าไทยตัวค น, ก, น, ก, นกีบากีบากก็ว่ากันไปพอเวลลุงเดินเข้ามาหานบี ลุงก็บอกว่ามาเด้อหลานเด้อเงินลุงไม่มีแล้วจะมาเอาค่าถ่ายตัวถ่ายตัวนะลุงไม่มีให้อ้าเอาเงินออกมาทำสงครามกับหลานน่ะเงินหมดแล้วก็แพ้ด้วยนบีบอกว่าก่อนที่ลุงจะออกจากบ้า น, นลุงเอาเงินใส่ถุงเอาไว้แล้วก็ฝากภรรยาอาไว้แล้วเก็บอยู่ในห้องทําไม่เอาถุงนันออกมาล่ะ ลุง ม, มาว่าเองรู้ได้รยังไงวะนบีว่าวอลัอลลอฮ์เล่าฉันฟังหมดแล้วผ่านจีบบิลลิกรับอิสลามอัอลลอฮ์ อ, อัคบาทหลานรู้อย่างงี้เลยบุกชัยหลาน อ, าอย่าเล่าให้ใครฟังว่าลุงรับอิสลามเพราะลุงนี่มีอาชีพอย่างหึงอะไรหรือเปล่าออกเงินกู้กินดอกเบี้ยเป็นหัวหน้าเลยล่ะ ถ้าชาวบ้านรู้ถ้ามุฮัมมัดประกาศว่าลุงรับอิสลามเนี่ยพวกนี้มันจะแอนตี้มันจะเอามาไอะไรอ่ะชักชักดาหมดเลยเห็นยังครับเนี่ยรับอิสลามเพราะจำนนต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาตัลลอหไปไม่รอดน่ะเรื่องรับเรื่องในครอบครัวอัลลอฮ์รู้หมดน่ะเอาวันนี้เมียเราเป็นยังไงบ้านหนึ่งมีสองศาสนามีไหมมีครับผัวอยู่อย่างหนึ่งเมียอย่าง ห, งหนึ่งระวังไงดีนะ พอตายแล้วจะไปไหนคนจะพาไปฝั่งไอ้พงษ์จะพาไปไปเผาเรื่องเฮเกลืในเมืองไทยนี่เยอะไปหมดเลยนาะนั่นต้องระวังไอ้ทีนะฉะนั้นถ้าจะเป็นแขกก็แขกให้มันเพียวแขกไปเลยมุสลิมกับมุสลิมเนีมันจริงไปเลยใช่ไหมทำอะมันจริงจะได้แยกแยะระหว่างคนคาฟเฟ่กับมุสลิมว่ามินอายาทีหนึ่งในสัญญาณของอัลลอฮ์ไม่พันพันล้านลนสัญญาณนี่นะหนึ่งในนั้นอัลลอฮ์ยกตัวอย่างขึ้นมาอันค้อละก่อนละกลุ่ม อัลลอฮ์สร้างท่านทั้งหลายมามินอะไรมินตูรอตัรอแปลว่าดิน <c oughs> จากผงจากผงทุลีจากดินอัลลอฮฺอัลบาเห็ยนยังครับทําไมมนุษย์มาจากดินทําไมมันดื้อแล้วก็ละ่ะมาจากดินไม่พอมาจะกน้ำอสูจีอีกทำไมชอบเถียงอนะ่ะเพราะอะไรอ่ะนี่นิสัยมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมายังไม่ได้สักฟองเนเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ใจร้อนไหมใจร้อน พอเรียนศาสนาแล้วใจเป็นไงใจมันก็เบาลงเบาลงเบาลงเบาลงถ้าไม่ฟังศาสนาในใจร้อนหมดใช่ ห, ใชรรหรือไม่ใช่จริงครับตัวผมเองก็เหมือนกันพอเรียนศาสนามาเออใช่เฮ้ยอัลลอฮฺอักบารใจเย็นลงเย็นลงคนใจเย็นกับคนใจร้อนอยู่ด้วยกันไม่ค่ได้ด้วยใช่ไหมอามีะใจเย็นหัวก็ใจเย็นอัลลอฮฺอักบาร ดีจริงๆและใจร้อนดีได้ไม่ดีไม่ดีครับอใจร้อนบางเรื่องนะดีเช่นอะไรบ้างมีอเสียรายการใจร้อนได้หนึ่งเวลาแขกมาบ้านให้เรียบตอนรับเลยสองมีมายิจเกิดขึ้นในบ้านอย่าแช่ให้รีบจัด ก, การอันที่สามเมื่อลูกสาวโ ต, วตวแล้วคิดแต่ ง, งานข้อที่สี่เวลามีหนี้ให้เรียบใช้เนี่ยเสยรายการในใจร้อนได้นอกนั้นใจเย็นๆเธอดีหมดละเรา อันคอแล้ว ก, วก็อันขอแล้วก็กลุ่มมินตุลบหนึ่งในสัญญาณของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราคิดนะมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากไหนจากดินต่อมาครับซุมมาอันตุมแล้วเมื่อนั้นแล้วเมื่อนั้นอันตุมท่านทั้งหลายบาชารุนกลายเป็นคนมาจากดินละกลายเป็นคนอัลลอฮ์เตือนนะ กลายเป็นคนนะที่นั่งอยู่นิ่มคนหมดเลยนะครับตัวผมตั ว, ต ว, ต ว, ตวผมเองด้วยก็เป็นคนบาชารุนเป็นคนตันตาชารุนกระจายไปทั่วโลกฝีมือของใครของอัลลอฮ์หมดเลยเอาวันนี้พี่น้องมุสลิมจากซีเรียรจากอิรักเริ่มไปไหนอพยพไปอยู่ที่ประเทศอะไรประเทศยุโรปพี่น้องมุสลิมเราผมนี่ญาติปัตตานีพวกเราญาติปัตตานีกันหมดเลยนะ ที่อยู่เมืองไทยเมื่อสมัยกี่ปีรอ้อยกว่าปีที่ผ่านมามาแบบทรมานทรมานอ่ะท่านนึกตัวนั้นเรื่องเดียวนั้นเราก็มากอดสบายใจนึกไหมยอยาให้มีปัญหามีมัสยิดในกรทมเท่าไหร่ฮามดูลิละมีมุสลิมเท่าไหร่ถ้าพี่น้องจะปัตตานีไม่มีปัญหาวันนั้นในกรทมจะมีมัสยิดไหมนี่คิดใหม่โอ้ฮามดูลิละ เขาวางแผนทำลายแต่อัลลอ์ก็วางแผนซ่อนแผนดีกว่าอีกวันนี้มีมัสยิดมีลูกหลานที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์อักบรที่เข้าใจศาสนาอธิบาอิสลาม <Okay. S 1> ให้พี่น้องฟังทามดีเล่จันนั้นวันนี้มุสลิมจากอิรักไปอยู่ในยุโรปแผนการก็คือให้อิสลามเจริญตรงนั้นและคนที่ปาแจ่และคนมีความรู้มีความรู้มีความรู้อัลลอ์ไปอยู่ที่ไหนก็าตามแต่พาอิสลามไป ดีไหมดีฝ่ากันหรือทำโดยลีลนะครับพี่ น, น้องนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์ سبحانه และกษัตอาย์ครับตัวรองว่ามนุษย์นี่นะเป็นอย่างนี้มาจากดินแล้วก็เป็นน้ําอสูจิเป็นก้อนเลือดและเป็นก้อนเนื้อแล้วก็มีเนื้อหุ้มกระดูกอยู่ในมดลูกประมาณกี่วันร้อยยี่สิบวันเมื่อครบร้อยี่สวันนี่คุณอ่านทั้งหมดนะนะอัลลอฮ์ ให้มาลาอีกามาเป่าวิญญาณลงไปในร่างในมดลูกเนี่ยพอกําหนดพอเป่าวิญญาณปับ๊บเด็กเริ่มเริ่มเริ่ ม, ม, ม, ม, มดินน้นนะนะอัลลอฮ์กำหนดให้สี่ย่างเราจงไปแสวงเลยนะไม่ตั้งหาด้วยหนึ่งรีสกีเครื่อนยังชีพสองวันตายสามมีอาชีพทําอะไรอันที่สีเป็นคนดีจะเป็ น, เ ป, นเป็นคนช่วอลัลลอฮ์กำหนดให้สี่รายการพี่น้งหลายสามรายการเนี่ยเลือกไม่ได้ แต่มีอยู่รายการเดียวเลือกได้จะเป็นคนดีหรือคนชัว่วถ้าเป็นคนชั่วก็ก็นอนนี่ข่าวดาวกันไปเล่นแตนรํากันไปกินเหล้ากันไปถ้าจะเป็นคนดีเลี้ยงศาสนาสิเอากุณอ่านเอาสุนานนาบีเอาอัลลอฮฺยุดอัลลอฮฺยุดรอซูนเป็นแบบอย่างก็เป็นคนดีได้ตกลงว่าสีรายการที่อลัลลอฮ์กาหนดในคันมันดานี่นะสามรายการเลือกได้ไหม เลือกไม่ได้เลยจะเป็นคนรวยได้ไหมไม่ได้เป็นคนจนก็ไม่ได้เป็นคนขาวคนหล่อไม่ได้เป็นคนํามเรื่องไม่ได้แต่เรื่องใดอย่างเดียวจะเป็นคนดีไดเป็นคนชั้นสอะรอัลฮัมดุลลอฮ์ครับนงดเวลาพดีนะสุบฮานะกลลัฮุมมวบิฮัมดิกซลลฮิลลหอันตะอัสตฟุกะวูบิัยกัสซลลอฮะลัยวะลฮวซฮอัจมอินิลลาิ